เลือกตั้งก็เหมือนกันถ้ามองผิวเผินแล้วเนี่ยอาตมามองเห็นว่าเหมือนกับคนไทยเนี่ยถ้าจะผูกใจเวลาเลือกตั้งเนี่ยเหมือนคนแย่งเข้าไปจะทําความดีกันมากมายนะเพือ่อนประเทศมันน่าจ ะ, จะเจริญมาตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครองแล้ ว, วใช่ไหมคุณโยมเพราแย่งแย่งจะเป็นคนดีใช่จะไปทาดีแล้วก็เข้ามาเอาสาเหมือนกันเลยทุกคนโอ้โหมีตะโครงการดีๆอะไรดีๆชัางนั้น แต่ที่แท้จริงผลออกมามันไม่ใช่อ่ะก็ะแสดงว่ากฎเกณฑ์เหล่านี้นะ่ะยังใช้ควบคุมคนไม่ได้ <Okay. S 1> แล้วคนที่จะออกกฎก็อย่างที่คุณยมต้องขาวว่าก็ยังไม่พร้อมคือเป็นลักษณะว่าออกแล้วกูก็ไม่ได้อยู่ด้วย <Okay. S 1> ไม่ไทําด้วย <c oughs> สร้างบ้านจริงแต่ว่าฉันไม่ได้อยู่ด้วยเพราะนั่นจะรั่วจะไหลยังไงฉันไม่เกี่ยวแล้วคนที่จะมาคุมกฎอีก จะเห็นว่าความบกพร่องอยู่ที่ตรงนี้มากมายอย่างที่ได้เห็นข่าวก็ดีรู้เรื่องก็ดีเพราะนั้นเลยกลายเป็นให้คนที่ตรวจส <Okay. S 2> สค่ะก็คือวงกอกตนั้นครับก็ตรวจอย่างทียิบแล้วก็มีอีกคนหนึ่งเป็นประชาชนมาตรวจก็กต อ, อีกที <Okay. S 2> แล้วไอ้กฎหมายก็ไปตรวจประชาชนอีกทีมันเลยไม่รู้จบไม่รู้ใครเป็นกรรมการไม่รู้ใครเป็น เป็นคนเล่นกีฬาไม่รู้ใครเป็นคนเคลียร์ตีกันเหมือนฟุตบอลที่เราเห็นที่มันมีตีกันกั็ว่าหนึ่งกรรมาการหย่อนญาติ <Okay. S 2> อันที่สองผู้เล่นไม่มีคุณธรรมคือ <Okay. S 2> รวมแล้วก็คือคุณธรรม mm hmm. เพราะฉะนั้นกาวไทยเราทั้งหลายตอนนี้นะ่ะ <Okay. S 2> ถ้าเรามีคุณธรรมเสียสสอก็จะครเข้ามาตามกติกาอย่างที่คุณโยนชมถึงประเทศอังกฤษอรราตมาก็ไม่เคยไปแต่ก็อ่านหนังสืออ่านข่าวอยู่ เขาเรียบร้อยเพราะเขาอยู่ในกติกาของแต่ละคนมันจริงไม่เดือดร้อนใช่ครับ <c oughs> แต่ถ้าว่านี่ทุกคนมุ่งที่จะแหกกติกาแต่ไปเพื่อได้เหรียญได้ช น, นะได้ตาแหน่งเท <c oughs> ่านั้นเองมันจึงไม่รู้จบรู้สิ้นเพราะฉะนั้นคนที่จะได้อยู่ในกฎเนี่ยต้พูดถึงแต่การกระตุ้นให้คนทําดีอย่างที่คุณโยมยกตัวอย่างอย่าอาจารย์ของคุณโยมอ <c oughs> าตมาก็มีประสบการณ์คุณโยมพ่อ อาจจะมาสมัยก่อนถูกปลุกตั้งแต่เจ็ดขวบเนี่ยต้องลูกขึ้นมาหุงข้าวแต่เช้ามันจะมีความรู้สึกขี้เกียจแต่ความเป็นเด็กกันเนาะท่านจะเรียกว่าไอ้ขี้ใต้ไม่เกียรไม่รุกไม่เอาอะไรจริงสักอย่างไอ้ที่ตีมาละตัวนี้มันเกิดขึ้นตันทีเราจะเอาชนะจะต้องเอาให้ดีแน่นจําเพาะบางคนเท่านั้นนะ่ะคุณโยมแต่ไอ้ลูกศิษย์ แต่ครูที่ไปติลูกติดไปสอนลูกติดเห็นไหมถูกตายไปเล ย, ยงงนั่นเป็นคนเจ้าโทสะสอนบางคนต้องมีกุศโลบายเป็นกันบางคนสอนได้กระตุ้นให้ให้เจ็บใจแล้วจะทำดีออแต่บางคนไปกระตุ้นมันมั น, มนสวนมันเลยมันเลยด่า เ, เอาไปอีกอเพราะฉะนั้นการที่จะให้คนไทยทั้งหลายเลือกตั้งโดยสมบูรณ์อ่ะมันต้องฝึกมาตั้งแต่เด็กอะโยม อ, อาจจะมาถึงมีแล้วคิดว่าถ้าพักไทยรักไทยเขาแน่จริงเนี่ยนะให้เขาคุมกระทรศึก ษ, ษา แล้วให้ตั้งแต่ปหนึ่งขึ้นมาเนี่ยเลือกตัวแทนนักเรียนตำเป็นเป็นนิสัยเลยทํากันตั้งประเทศเลยแล้วมีตัวแทนมีสภานักเรียนเข้ามาสู่สภาส่วนรวมดันดวงตาครับเจริญรอยทำดีมากค่ะแต่ว่าพอผู้ใหญ่ไม่เป็นตัวอย่างก็นี่เลยไม่อยากโทษแต่เด็กให้เด็กจงทําดีให้เด็กจนทำดีเด็กอนุบาลนี่โอ้ดีมากเด็กประถมดีมากแต่เพราะว่าเดเริ่มจะไม่ดีแล้วต่มเรรก็อยู่กับเด็กแต่เด็กเนี่ย จำไม่อย่างหนึ่งต้องทาให้เขาดูเป็นตัวอย่างตัวอย่างเราไม่ดีอย่าไปเอากดไปสอนอามาไปอยู่ที่น้ำหนาไปอบรมเด็กน้อยก่อนวัยเรียนเอาก็มานั่งอบรมเราก็คุยเ่านิทานเราอะไรไปก็ดีเส้นจะมีอยู่สี่คนเล่นกันเราก็เรียกไอ้คนแรกมานั่งตรงน้ามันก็นั่งเคยดีพอคนที่สองทำผิดเราก็เรียกอีกคนหนึ่งมาเป็นคนที่สอง พอมันได้มาสองคนมันได้ตอกกบกันเลยโยมแต่ต<ง>้องนั่งหัวเลาะในใจว่า เ, เรานี่เื่นเด็กยังไม่ถูกนิสัยเด็กเลยโยมเพราะนั้นกฎเกณฑ์ทั้งหลายมันต้องเป็นระดับสูงขึ้นที่จะต่อเติมจากพื้นนิสัยแต่ถ้าเดิมทีเนี่ยดูหมาดูแมวมันสอนลูกสอนหลานมันทาไม่ดูพาจับหนูพาว่ายน้าประเภทว่ายน้ำได้ก็พาไปทเาเขาเรียกว่า ปลูกพื้นนิสัยตามาธาตุเดิมของมันก่อนแล้วก็จะฝึกมากกว่านั้นจริงต้องใช้คนที่รู้กว่าดีกว่าคือท่านครูบาอาจารย์สอบสวนไปแล้วแม้แต่ครูสุดท้ายก็คือพระพุทธองค์ที่นำเราหลุดพ้นจากกองทุกเนี่ยท่านก็เล็งดูขอนจริงจะสอนไม่จะสอนสะเพสตะปะไปะจะเอาเด็กทั้งประเทศมาเป็นอย่างนี้มันก็ไม่ได้เพราะนั้นต้องเป็นไปตามลาดับชั้นตามพื้นาธาตของปัญญา คุณโยมเพราะฉะนั้นปัญญาจากขุนนั้นต้องอยู่ที่การฝึกเจริญพรครับกระารครับของคุณครับขอบคุณท่านครับครับผมผมขอขอเสริมได้ท่านหลวงตาหน่อยนะครับครับที่ท่านพูดเมื่อกี้ว่าไปสอนคนบางคนได้บางคนก็โดนโดนอะไรนะครับตนก็นักเรียนอ่ะนักเรียนแค้นมม .4 มั่งยิงผูตายครับอ๋อครับที่สกลนครครับ แล้วบางคนก็สอนได้ขเขาก็ฤิ์จิตดีรับใช่ไหมครับครับผมผมนึกถึงชาดกเรื่องหนึ่งฮะคือดาบด ท, ท่านไปสอนพระราชาบอกว่าอามาบอกพิดในการไหนไหนอย่าโกรธนะอ่าสอนอยู่เท่านี้ยมาบอกพิษในการไหนไห น, นอย่าโกรธนะแมพระราชาดี<ล>พระไัยมากดีพระไัยมากถาวายให้รางวัลเยอะแยะเลยหมดเลย แต่แล้วท่านก็ไปขําเรือขําเรือที่นี่ก็อไปให้โอวาทกับคนแจวเรือจ้างบอกว่าโยมสิ่งที่อาตมาจะให้หรือว่าในการไหนไหนอย่ากโกรธนะผลจะเรือจ้างก็ทืบท่านเลยเอครับนแจวเรือจ้างชกท่านคว่ําลงยกท่นา <c oughs> นหงายลงแล้วก็จะทืบเลยพอ <c oughs> ดีปัญญามาเจอเราก็เลยห้ามเขาไว้ <c oughs> ผมก็เสริมลงตาครับสอนอีกคนนึงได้สอนอีกคนหนึ่งไม่ได้ครับสอนอีกคนหนึ่งได้ได้มากเลยคนนึงมันกระทึบเลยครับเล้วคุณสุชาดาก็ดีครับครับฮัลโหลครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์ครับสวัสดีครับท่านอาจารย์วสินค่ะครับสวัสดีครับมีคำถามนีดเพียงค่ะครับเอการให้เนี่ยเป็นคุณค่าแท้คุณค่าเทียมอะไรนะครับการให้การให้เหรือฮะ การให้ไม่มีคุณค่าในตัวมันเองฮะการให้ไม่มีคุณค่าในการตัวมันเองการเสียความเสียสละเนี่ยครับคไม่มีคุณค่าในตัวมันเองมันจะมีคุณค่าต่อเมื่อเราให้ของที่ควรให้แก่บุคคลที่ควรให้อ่าเกิดหมายความว่ากันให้คนที่เขากำลังต้องการความช่วยเหลือเนี่ยอ่าคือเกิดอันนี้อันเนี้ยคือคือ อันนี้ไปขยายเอาเองได้เยอะเลยครับอครต่ว่าถ้าเราให้ถูกต้องค่ะมันก็มีคุณค่าถ้าเผื่อเราให้ไม่ถูกต้องเราเสียสละไม่ถูกต้องมันไม่มีคุณค่าบางทีมันกลับจะมีโทษนะครับคุณสุจดาครับค่ะับจะมีโทษค่ะขอบพระคุณครับท่านอาจารย์เพื่อจะอนุญาตนิดหนึ่งอาจารย์วสิณนะครับถามว่าปฏิโลกเนี่ยในความหมายจริงๆมัน มิตรปฏิรูปเนี่ยแปลว่ามิตรที่ไม่ดีใช่ไหมครับอ๋อปฏิรูปนี่ถ้าอยู่ข้างหลังถ้าอยู่ข้างหลังตัวนามหมายความลึงสิ่งนั้นไม่ดีอ๋อฮะแต่ถ้าอยู่ข้างหน้าหมายถึงปรับปรุงฮะอ๋อหมายถึงปรับปรุงเลยฮ ะ, ะใช่ครับผมขอยกตัวอย่างให้ท่านอาจารย์ทองขาวนิดชันมิรปฏิรูปนี่แปลว่ามิตรไม่ดีนะครั บ, รบแต่ถ้าปฏิรูปประเทศ เอาแต่ว่าประเทศที่เหมาะสมอ๋อครับคอย่างนี้เป็นต้นนะครับครับผมครับพระคุณเจ้าสุวัจโจพิขุท่านสุวัจโจนวัตการครับด้วเจริญพรนะอาจารย์ครับจะมีศีลยูบอ่ะยู่ครับเอ่อฝากถามอาจารย์วัดศีลเนี่ยว่าครับไม่ต้องฝากก็ถามเลยเออถามเลยบุญกิริยาวัตถุสิบข้อที่สิบทิฏฐุชุกรรมทําบุญด้วยการทําความเห็นให้ตรงเนี่ยครับสัมมาทิฏฐิข้อที่หนึ่ง ใมัมกมีองค์แปดแต่แตกต่างกันเหมือนกันหรือเกี่ยวข้องสัมพันกันอย่างไรครับครับ<อ>คร่านี้นะครับผมไอคอนหนึ่งครับฝากถามอัรจารยชนนันนิสะระด้วยว่าสีขาวในธงตะลงของชาไทยเนะี่ยหมายถึงพุทธศาสนาใ น, ในใครเป็นคนกล่าวก็มีรายการที่หกเขียนไว้ชัดเจนเลยนะฮะในหนังสือได้ครับในข้อความใน นะฮะในหนังสืออะไรครับผมก็จำไม่ได้ฮะแต่ว่ารายการที่หกเขียนไว้ชัดเจนอธิบายว่าสีขาวหมายถึงพุทธศาสนาถ้าราคาด้จะดีจะไปสอนเด็กด้วยตรงเหมือนผมมีนะครับก็รอฟังหลังจากที่ช่วงหลังกันแล้วกันนะครับรับคุณครับแล้วถ้าอาจารย์ตอบกอาิตย์ทุกขรรมถ่ายความเห็นได้ตรงนะฮะสมาธิสมาธิเียนนิยรินคือคืออย่างนี้สมาธิ มันมีบีสองสองระดับนะครับคือระดับสินธรรมครับระดับเนื้อสินธรรมแรืว่าระดับโลกียะกับระดับโลกุตระทีนี้ทิฏฐุชุกรรมในบุญทียอวัตถุที่หมายถึงสัมมาทิฏฐิในระดับสินธรรมโอ๋ในระดับโลกียะทิฏฐุทุกกรรมอทิฏฐุชุกรรมเท่ากับสัมมาทิฏฐิในระดับโลกียะในมัคมนองแปดแต่ว่า เอาเอาในกุศลกรรมบทนั่นแหละครับในกุศลกรรมบทสัมมาทิฏฐิหรือว่ามีความเอ็นชอบในกุศลกรรมมบทแต่ว่าในถ้าในมักมีองค์แปดตัวเต็มจริงๆหรือว่าความหมายเต็มรูปจริงๆเหมายถึงโลกุตระความความความเห็นสัมมาทิฏฐิในในในอริยสัจสี่ในออริยสัจสีครับแต่ว่ามีสัมมาทิฏฐิในระดับต่ำคือระดับ สินธรรมเช่นสมาธิในกุศลกรรมบทสิบซึ่งเท่ากับทิฏฐุชุกคำในบุญกิยาวัตถุครับคือเป็นเรื่องของโลกิยะ ถ้าใช่ครับเพื่าเห็นว่าทําดีได้ดีทําช่วได้ช่ว่ยเห็นว่าพ่อแม่มีบุญมีคุณคเห็นครูบาอาจารย์มีบุญมีคุณอย่างนี้ถือว่าเป็นทิฐิชุกกรรมทําดีได้ดีทําช่วได้ชั่วยนี่เป็นระดับศีลธรรมนี่เป็นระดับศีลธรรมเรียกว่าทิฐิทุกกรรมอาจารย์มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอาจารย์ครับไม่มีครับไม่มีก็คงแคหมดเวลาท่านอาจารย์ทนนี้ก่อนนะครับผมครับกราบขอบพระคุณอาจารย์พรสินมากครับ ขอบคุณอาจารย์ครับถราท่านฟังแล hm ้ววันนี้ท่านอาจารย์วสิ์อินทสระก็จะได้มาพบกับท่านก่อนที่จะพบท่านขออ่านสำนวนบทพิพานซึ่งได้คัดย่อมาจากหนังสือพระอนุ์พุทธอนุชาให้ท่านฟังต้เงได้เต่งนะครับมีข้อความว่าดูความพิสูจน์ทั้งหลาย ธรรมชาติของจิตเป็นสิ่งแต่เป็นสิ่งที่ดิ้นรนกลับกลอกง่ายบางคราปรากฏเหมือนช้างตกมันพิสูจนทั้งหลายพวกเธอจงเอาสติเป็นขอสําหรับเหดียวรังช้างคือจิตที่ดิ้นรนนี้ให้อยู่ในอํานาจบุคคลผู้มีอํานาจมากที่สุดและควรแก่การทั้งเสินนั้นคือผู้ที่สามารถเอาตนของตนเองไว้ในอานาจได้ สา ม, มารถชนะตนเองได้ผู้ชนะตนเองได้ผู้ชนะตนเองได้ชื่อว่าเป็นยอดนักรบในสงครามเธอทั้งหลายจงเป็นยอดนักรบในสงครามเถิดอย่าเป็นผู้แพ้เลยดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายจิตใจที่ไม่หวั่นไหวด้วยโล ก, กธรรมคือนินทาสรรเสริญนั้นเป็นจิตใจที่ประเสริญยิ่งพิสูจน์ทั้งหลาย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 อาจารย์อาจารย์วสินอินทระได้ประพันธ์ไว้ในพระอนุนพุทศชาครับวันนี้ก็เป็นวราระของท่านอาจารย์วสินขณะนี้ท่านพร้อมอยู่ในสายแล้วอ่าขอเชิญทุกท่านพบกับท่านอาจารย์วสินนะครับครับสวัสดีท่านอาจารย์ครับครับสวัสดีครับอาจารย์ครับก็ขออนุญาตเอาบทประพันธ์ของท่า น, า น, านอาจารย์มาอ่านพ อ, อนดีครับครับขอบคุณนะครับขอบคุณ เอาบทปรพันธมาหารดูกันฝังนะฮะครับผมครับก็เรื่องนี้ก็เอาไปกินกันเยอะนะครับครับแล้วก็บอกบ้างไม่บอกบ้างบางท่านก็บางท่านก็เหมือนจะทําเป็นเหมือนกับของเขาเองนะฮะครับถือวิสาสะอ่าครับเ็เคยการลบแล้วนะครับครับ อาจารย์ไม่ว่าอะไรใช่ไหมใช่เขาถือวิชาศาสตอย่างนี้ยังยังไม่ได้ยังไม่ได้ว่าอะไรยังไม่ได้คิดที่จะว่าอะไรยังไม่ได้ว่าอะไรนะครับแต่ว่าก็ก็คนจินเนี่ยเรื่องอย่างนี้เรื่องเรื่องมันก็ถือเป็นมารยาทนะอาจารย์ครับใช่ครับวันนี้จะขอปตรรบเรื่องเรื่องเรื่องที่คุยกันเมื่อวันอังคารนะครับ เมื่อาอาจ า, าจาร์คุยกับท่านมหาแก ะ, ะเมื่อวันอังคาร น, นะครับเคยขอให้อยากจะขอให้ทบทวนปฏิปทาของพระกับของคารวะวันนั้นผมฟังอยู่นะครับที่ท่า น, อ า, นอาจารย์มห า, หาแกะได้ยกคำพูดของท่านอาจารย์สุดชีพ คุณญานุภาพอแล้วก็เื่าที่ท่านบอกว่าคารวะถึงจะรู้ธรรมะมากแค่ไหนก็สู้พระไม่ได้เปรียบเหมือนต้นไม้สูงแต่ว่ายอดติดดินอส่วนพระสงนั้นอถึงว่าจะมีความรู้น้อยเปรียบเหมือนต้นไม้ซึ่งไม่สูงนักแต่ว่ายอดไม่ติดดินครงนนตรงนี้นนจะไม่ตัดรันแจ้งอันนี้อันนี้ผมไม่ไม่ติดใจอะไรนะกับ จิตใจตรงตรงเรื่องที่เกี่ยวก่อว่าพระพระถึงจะประพฤติผิดศีลไปบ้างแต่ก็ก็ยังมีศีลมากเยอยเยอย่างนี้อาจารย์ที่รผมพูดนี่คือกตอนนั้นก็มีคนเข้ามาแต่แหนะแหนะพระไม่ดีอย่างโ่้นไม่ดีอย่างนี้ผมก็เลย โพูดช่วยท่านบอกว่าเอาเ น, นี่ยคุณไปว่าพระท่านอย่างนั้นน่ยว่าท่านศีนสองร้อยี่บเจ็ดท่านขาดไปข้อสอง ข, ข้อยังเหลือต้องสองร้อยกว่าแล้วเราแค่ศีล์ห้าเนี่ยยังไม่ครบเลยอันนี้ก็เป็นคำนองที่ผมพูดอย่างนั้นเลยนะครับไม่เกินประมาทนะเนี่ยครับอัน น, น, นี้อันนี้ก็คือว่าก็คุยกันไปอ สั้นมาแกะก็ก็คุยแบบนี้เหมือนกันนะฮะถ้าพูดไปทํานองเนี้ยพูดไปทํานองนี้ก็มีผู้สงสัยเหมือนกันนะครับ <c oughs> แล้วก็อยากจะขอให้ทบทวนว่าอาความคิดจยางนี้หรือว่าทัศนะเนี้ยเราควรจะเผยแพร่พรกันต่อไปไหมก<ค>็ก<ค>็ไม่ควรนะฮะอาจารย์ไม่ควรใช่ไหมถ้าไม่ควรครั บ, ค ร, บครับไม่ควรเป็นอย่างยิ่ง อเพราะว่าอในทัศนะของคนทั่วไปพระต้องศีลสัมปันโนเนี่ยครับถือว่าเป็นเรื่องสําคัญครับถือว่าถึงจะผิดข้อเดียวก็จริงนะฮะแค่แต่ถ้าเป็นข้อสําคัญสําคัญเกิดไปผิดข้อหนึ่งเนี่ยอข้อหนึ่งนั่นก็ยกไว้ก่อนนะครับเพราะว่านั่นขาดเป็นขาดในามเป็นพระเป็นพระไปเลยแล้วอันนี้อย่างว่าเช่นว่าพระเมาเล่าวนี่ย ก็เป็นป่าจิตเตียนะครับจะเป็นป่าจิตตี๋ยตัวเดียวก็ถึงจะเป็นปลาจิตเตี๋ยตัวเดียวแล้วก็ยังเหลืออยู่อีกเยอะแยะฮะแต่ถึงกันนั้นก็ชาวบ้านทั่วไปก็รับไม่ได้ครับครับไม่ได้หรือว่าจะใจเห็นว่าท่านเป็นพระดีก็คงไม่ได้แล้วครับใช่ไหมฮะหรือว่าเจตนาที่จะไปฆ่าสุนัขเอามีไปฆ่าสุนัขในวัด ด้วยด้วยความโหดร้ายอะไรอย่านี้ก็ก็ไม่ต้องถึงขนาดไปฆ่าสุนัขแรอกแค่ไปซื้อดีดีมาไล่ฉีดจุงฉีดเลือดอะไรก็ดูก็ไม่เหมาะสมแล้วนะครับใช่ครับดีครับครับผมผมวันนั้นอยากจะโทรเข้าไปคุยกับท่านมาฮาแก่สักหน่อยเหมือนกันแต่ว่าบังเอิญก็เห็นว่าเอคุยกันเยอะอยู่แล้วมีสายเยอะแล้วก็เอาเอาไว้วันเพลยหฮัดเพราะว่า อีกวันหนึ่งก็สองวันก็ถึงเวลาของผมแล้วครับก็ ก, ก็ก็ต้องกราบขอบคุณท่านอาจารย์นะครที่ให้สติในเรื่องนี้แลวันนั้นก็คุยกันในทํานองซึ่นึ่งก็คุยกันเล่นๆไปคุันเล่นๆไปผมก็ก็ทราบ น, นะฮนะ ค, คุยกันเล่นๆไปแต่ก็ไม่ถูกต้องนะท่านอาจารย์นะคือคือคือมันมันตัวเดียวก็จริงอนะครับคือย่างนี้ครับคือพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านจะมอง คารวารือพระในแง่ของคุณธรรมนะฮะครับคือเรื่องเรื่องเครื่องแบบหรือเรื่องอะไรเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านไม่ค่อยมองค่ะท่านจะมองแง่คุณธรรมของคนว่าจะเป็นพระหรือเป็นคารวะาก็ตามแต่ถ้ามีคุณธรรมสูงเขาเป็นคนสูงถ้ามีคุณธรรมตม่ำเขาเป็นคนตค่นําำคำนองเนี้ยนะฮะเช่นว่าแม้แต่เรื่องพระเถระ ที่จัดว่าบุคคลจะเป็นพระเถระเพราะมีนอกผลศรีรษะก็หามีได้ อ, อท่านเป็นผู้ที่มีวัยที่แก่ไปเปล่าแต่ว่าโมคาชินโนนะอาจารย์โมคาชินโนติวุจติหรืว่าแก่เปล่าแก่เปล่าแต่ว่าสัจจะธรรมะอหิงสาสัญญมะธรรมะมีในผู้ใดผู้นั้น ถ่ายมนทินได้แล้วเป็นนักปราศเราเรียกว่าเป็นเทระอะอย่างนี้เป็นต้นนะฮะครับนี่เป็นตน้ตนเยอะเลยการที่จะดูว่าใครเป็นเทระหรือไม่เทระไม่ได้อยู่ที่อศีรษะผมมณทิสะนอกนอกไม่ใช่มีศีรษะนอกแต่ว่าดูกันที่คุณธรรมครับคุณธรรมก็มีสัจธรรม อ, อิงสา อิงสาสัญญมะธรรมะรที่ที่เก่าในพระพุทธภาษิตนี้นะฮะแล้วก็ที่น่าพิจารณาอย่างหนึ่งคือว่าถ้าถ้าคราวาดเป็นอนาคามีแล้วก็พระพระสงฆ์เป็นปุถุชนพูดถึงภูมิธรรมแล้ว พระอนาคามีนั้นสูงก <สง S 1> ว, า ว, าวา่ามากนะฮะแต่ว่าในด้านความเคารพกันก็คารวะที่เป็นอนาคามีก็เคารพพระสงฆ์นะครับอ อ, อภิวาทไหว้นมัสการแต่ว่าในในด้านคุณธรรมพระสงฆ์ที่ที่ดีเนี่ยท่านจะต้องให้เกียรติกับคารวะที่มีคุณธรรมสูงอย่างนั้นค่ะ เพนาะนั้นจะจะเป็นพระหรือเป็นคาราวาสก็พระพุทธเจ้าท่านจะมองดูที่คุณธรรมย่างเรื่องของจิตตะฆาปดีนะฮะจิตตะฆาบดีซึ่งเป็นอนาคามีแล้วก็เป็นคนดีมากเป็นอ อ, อุบาสกที่เป็นธรรมกะถึกแล้วก็พระไปร่วมเกินเขา้าพระพุทธเจ้าตรงรับสั่งให้ไปขอโทษให้ไปขอขมากับ <c oughs> จิตตะฆาปดี ขนาดนั้นแล้วจิตตะขารรมดียังไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมให้ขอขมาไม่ยอมไม่ยอ ม, ม, ยอมแล้วก็พระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ตำาดีอะไรจิตตะามบดียังตำหนิพระเสียอีกแล้วก็ตอนหลังก็ให้อนุทูตไปเจรจาความท่านก็ยอมยอมยอมให้อันนี้ก็แสดงถึงความที่พระพุทธเจ้าท่าน มองดูคุณธรรมของพุทธบริษัทนะฮะมองดูคุณธรรมของพุทธบริษัททีนี้ อ, อพุทธบริษัทเวลานี้ก็มีพระกับคาราวาสเนี่ยคือว่าถึงอย่างไรก็ต้องเครือกูลกันแล้วก็ให้เกียรติแก่กันและกันไม่ใช่ไม่ใช่ว่าถือว่าเป็นพระแล้วก็ดูถูกคาราวาส คือว่าเป็นคารวาสแล้วก็ไม่นับถือพระหรืออะไรทํานองนั้นนะฮ ะ, ะก็ไม่ได้ทั้งสองอย่างแล้วต้องอให้เกียรติซึ่งกันและกันก็ผมว่าจะจะจเความสวยงามขึ้นเลยสวยงามฮะสวยงามสวยงามขึ้นก็ ก็มีเท่านี้ครับครับผมก็การก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องนะครับกบขอบคุณท่านอาจารย์ครับถก็ท่านผู้ฟังที่ฟังในวันนั้นอาจจะอค้างคาใจที่เราพูดกันในลักษณะอย่างนั้นนะครับครแต่เทวนาก็คือต้องการที่จะออยกตัวอย่างให้เห็นเป็นบางครั้งนี่อก็ต้องก็เรื่องของพระ เรื่องภูมิเพศสารัดเพศเนี่ย <c oughs> ถือว่าเป็นเรื่องความสูงสุดเลยนะครที่พูดขึ้นวันนั้นก็เพราะว่าท่านอาจารย์แก่พูดถึงว่าเดี๋ยวนี้คารวาะเขาสนใจศึกษาพิธรรมกันมากนะครับแล้วก็มีวิธีการสั้งสอนในเรื่องนี้มากก็ปรากฏว่ามามองไปแล้วดูเหมือนว่าพระจะสนใจตรงนี้น้อยครับก็เลยปรารถกกันขึ้นในวันนั้นท่านทั้นะครับครับครับครับ ทีนี้ก็อาจารอาจารย์พูดก็คือต่างต่างแต่ละฝ่ายก็เกื้อกูลกันเพื่อกูลก็ทำให้เกิดความงามทั้งสองฝ่ายครับนะครับอาศัยกันครับอาศัยซึ่งกันและกันก็ได้ได้ยินจากที่พระคุณเจ้าพูดพูดบ่อยเหมือนกันนะฮะครับก็เป็นธํานองดูหมิ่นคารวะต่างรูปนะฮะต่างรูปว่าเอพูดพูดอยู่ได้อะไรอมีศินสักเท่าไหร่เชียวมีสินแค่ห้าข้อ พระมีศีลทั้ง227อะไรไปทำนี่ติ่เตียนพระไอ้ทนองเนี้ยนะฮะทํานองนี้นะท่า น, น, นจะบางรูปก็จะทํานองนั้นคือว่า อ, อย่างนี้ก็ไม่ถูกนะฮะ<ร> ก, ก็ไม่ถูกพูดอย่างนี้ก็ไม่ถูกเพราะว่าคารวะโดยศีลมีศีน้าตามที่ว่ากันบางท่านก็มีศีลแปดบางท่านก็สิทธถือกุศลกรรมบทสิอะไรทํานองนี้นะฮะแต่ว่าโดยคุณธรรม ก็มีคุณธรรมสูงบางท่านก็มีคุณธรรมสูงมาถึงถึงศีลจะน้อยแต่ว่าคุณธรรมสูงครับือว่าไม่ใช่พิจารณากันเพียงเรื่องศีลเรื่องเดียวครับกับเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาเรื่องคุณธรรมอื่นๆอีกมากมายนะครับก็ต้องนํามาพิจารณาดูว่าเขามีคุณธรรมอย่างไรจยางในนิคาสารสูตรนะมีอยู่ตอนหนึ่ง มีมีคาสลาอุบาสิก า, ากรับเรียนถามพระอนุนบอกว่าพ่อของเขาเนี่ยประพฤติพรหมจรรย์แล้วก็มีเพื่อนอยู่คนหนึ่งเพื่อนของพ่อไม่ประพฤติพรหมจรรย์แต่พระพุทธเจ้าทรงพยากรณ์ว่าทั้งสองท่านนี้เป็นสักการะขามาีสิ้นชีวิตแล้ว เ, เป็นสักการะขามีไปเกิดชั้นดุสิตเสมอกัน นางก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นว่าพ่อเข้านี่ประพฤติพรหมจรรย์แต่ว่าเพื่อนของพ่อไม่ได้ประพฤติพรหมจรรย์ทำไมถึงไปไปสัมปราภพบีเป็นปสังฆ า, าคามีเหมือนกันแล้วก็ไปเกิดชั้นดุสิตเหมือนกันพระนโนท่านก็ไม่ตอบอะไรท่านไม่พูดอะไรท่านพูดเพียงว่าก็พระภูมิพระภาคจัดไปอย่างนี้ท่านท่านก็ไม่กล้าพูดอะไรนะ แล้วก็กลับไปฝ้ากร ะ, าระผู้มีพระภาคพระพุทธเจ้าท่ากทนก็จัดว่ า, ามีคาถาลาอุบาสิกาจะรู้อะไรทำไมเอาความรู้ของตัวมาเทียบกับพระสัพพัญญุตยานอะไอย่างนั้น <Okay. S 1> ทำไมเอาความคิดความรู้ของตัวมาเทียบกับพระสัพพัญญุตยานาไม่ได้แล้วท่านก็จัดบอกว่ า, าพ่อของ ออุบาสิกานั้นเป็นรักษาพุอพรมอาจารย์ก็จริงประพฤติพรมอาจารย์ก็จริงแต่ปัญญาน้อยแต่ว่าเพื่อนของเขานั้นไม่ประพฤติพรมอาจารย์ก็จริงแต่ปัญญามากอเป็นสักการะธรมีเหมือนกันแือว่าอีกคนหนึ่งมีศินมากแต่อีกคนหนึ่งมีปัญญามากตรงนั้นก็เออ่ ก็ก็ไปได้อ่ะได้ไม่ ว, มว่ามาเทียบกันได้หรือว่าเสมอกันได้ออันนี้ก็ท่านก็มองดูหลายด้านนะครับคือไม่ได้มองดูเฉพาะด้านศีลอย่างเดียวก็มองดูทางด้านาสมาธิปัญญาและคุณธรรมอื่นๆที <c oughs> นี้อที่จริง พระบางรูปบางรูปเนี่ยที่พระพุทธเจ้าส่งยกย่องแล้วก็ใหมาใหมาอยู่ในในในจำนวนพระสงฆ์ที่เป็นเอตทัคคะนะครับครับจัดเข้าในเอตทัคคะสาวกที่เป็นเอตทัคคะไม่ยังไม่ได้บวชโดยทั้งไปอย่างท่านพายะทารุจิริยนะะพอสำเร็จ อารหันต์แล้วฟังธรรมของพระเจ้านิดเดียวได้สําเร็จเป็นพระอารหันต์แล้วก็ไปหาจิวรแล้วก็เสียชีวิตในโควิดพระพุทธเจ้าจัดกับภิกษุทั้งหลายว่าพรหมจารีเพื่อนพรหมจารีของเธอสิ้นชีวิตแล้วตว่าสัพพรมจารีโวภิกขวกาลากระโตหรือว่ทาทรง อถือเป็นเพื่อนพรมมัจจารีของภิกษุตอนนั้นภัยยะท่านภัยยะยังไม่ได้บวชยังไม่ได้บวชครับยังไม่ได้บวชแล้วก็ในเอตทักคะสาวกนั่นก็จัดท่านภัยยะอยู่ในอเอตทักคะในกายภิกษุที่บอกว่าตัสรู้เร็ว่าตัดสรู้เร็วนะครับตัสรู้เร็วอันนี้ก็แสดงให้เห็นถึงท่าทีของพุทธศาสนาหรือของพระพุทธเจา้าที ท่านต้องการจะยกย่องคุณธรรมคุณธรรมของของบุคคลไม่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องอนุ่งห่มอหนุ่งห่มอะไรหรือว่าอยู่ในเพศอะไรเท่าไหร่นะครับครับจะดูกันที่คุณธรรมดูกันที่คุณธรรมรเป็นสาคัญผมก็ก็ ลาลบทรรมเนียรครับจะมีอะไรจะเพิ่มเติมอจะสมบูรณ์นะครับอาจารย์ถี่ติงอะไรก็ไม่มีเลยครับครับะสมบูรณ์ทุกประการครับขอกราบขอบคุณท่านอาจารย์ไม่เป็นไรครับทีนี้ก็ถ้าไม่มีอะไรผมก็จะต่ออันนี้ครับขยานนี้หนึ่งครับจากการเทศน์อาจารย์ได้มาแต่ แต่ติจริงในเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นความรู้วันประเสริฐสําหรับพวกเราในฐานะที่เป็นชาวพุทธนะฮะจะได้มองกันอยู่กันด้วยคุณธรรมร ไ, ไม่ไม่ไม่เอาเรื่องของความรู้อะไรอะไรมาเป็นเครื่องคม่มขู่เป็นเครื่องอยกตนคมคนอื่น ใ, ให้อยู่กันด้วยคุณธรรมครั บ, รบอันนี้จะเป็นประโยชน์ต่อสังคม ไม่ว่าจะในสังคมของพระสงฆ์ในสังคมข้างคารวะก็ตามถ้าหากว่ามีคุณธรรมแล้วก็อยู่ด้วยกันแบบสันติได้ใช่ครับก็ก็เทียบดูอีกหน่อยหนึ่งก็เหมือนกับเด็กกับผู้ใหญ่เนี่ยนะครับอเด็กอายุสามสิบบางคนอายุสามสิบบางคนอายุหกสิบแต่บางทีคนอายุหกสิบคุณธรรมสู้คนอายุสามสิบไม่ได้ครับก็อ่โดยทั่วไปในสังคมไทยเรา คนอายุสามสิบก็ให้เกียรติคนอายุหกสิบโดยโดยวัยยปุตนะฮะแต่ถ้ารู้ว่าคนอายุสามสิบมีมีคุณธรรมสูงก็จะให้เกียรติอคนที่อายุสามสิบที่มีคุณธรรมสูงในรรในท่านผู้ฟังรายการของเราเราก็พูดแล้วก็ให้เกียรติคุณอรไทย อ, อาจารย์ก็คงจ ะ, ะฟังคุณอรไทยได้พูดมาในรายการบางครัง้งบางคราวอนะฮะ หังจากการที่ได้รู้จักกับอชีวิตของเธออะไรแต่ไรเนี่ยก็ทําให้มองเห็นว่าเออถึงคุณรทัยเนี่ยจะในได้แง่ของการศึกษาจะไม่สูงแต่ในแง่ของการที่มีคุณธรรมนั้นเพราะว่าคนที่มีความรู้สูงก็อาจจะสู้เธอไม่ได้อันนี้เราก็ยกย่องกันอยู่ในเรื่องของคุณธรรมมาน ะ, ะครับใช่ครับใช่ครับ ก็อวันนี้ก่อนตอนตอนสี่ทุ่มนะครับจันทร์ก็ดูรายการจอดใจแล้วก็เขาเชิญคุณลุงที่เชียงใหม่นะครับที่เป็นออะไรที่ทําดาวเทียมมาฮะโอเคมาออกรายการเรียนจบแค่ปสี่แค่ปสี่แต่ข้อปสโอ้ยความรู้สารพัดอยางเลยด็เตอร์ต้องไปไปเรียนด้วยตอนนี้แล้วกันครับ คือทำการรับดาวเทียมได้สองสองรอยชันทำานจริงๆเลยฮะพูดอะไรต่ออะไรโอ้คงก็เป็นนักข้นฟ้านะท่านอาจารย์นะสนใจศึกษาดูตำราต่างประเทศด้วยนะครับเราฟังด้วยความปีตตียนนะครับโอ้โหคนคนเก่งครับอาจารย์ก็ขอพันไปนะครับครับผมตอนนี้ก็มาถึงเรื่องการใช้โยู่ในโสมนัสิการ สองข้อหลังนะครับก็มาถึงข้อเก้าครับก็เก้านี้แปลว่าคิดอคิดแบบอยู่ในขณะปัจจุบันอันนี้ก็คิดตามแนวสติปัฏฐานทำแนวสติปัฏฐานตามแน ว, ปนแนวอปฏเทกรัตสูตรปฏเทกรัตสูตร สามแนวสติปัฏฐานก็ลองดูสักสองประก็จะเห็นว่าท่านาให้คิดให้อยู่กับปัจจุบันเช่นว่าอิริยาบถะประพิริยาบทาจะจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนอะไรก็มีรู้อยู่มีสติมีสติรู้อยู่ยว่า เราเดินเรานั่งเรานอนยืนอยู่ก็รู้ว่ายืนอยู่นั่งอยู่ก็รู้ว่านั่งอยู่นอนอยู่ก็รู้ว่านอนอยู่อบแปลว่าให้มีความรู้อยู่ในขณะปัจจุบันทุกจริยาปฎในิริยาปาัฏฐปปะในสติปัฏฐานคืออันนี้ก็เป็นประโยชน์กับ ชีวิตประจำวันมากนะครับโดยปกติแล้วก็ความทุกข์มันจะเกิดโดยพิธีที่คนเราเนี่ยมักจะเหนียวรั้งเอาอาดีตเข้ามาคิดถึงอดีตบางอยา่างแล้วก็มีความทุกข์หรือบางทีก็ไปคว้าเอาอนาคตมาคิดซึด่งผมเคยบอกว่าไป เบิดกับความทุกข์มาใช้ก่อนอใช่ครับดีครับสำลวนสำลวนนี้ดีความทุกข์มันจะไม่เกิดอะเราก็ไปเอาไปเบิกมาใช้ก่อนครับทีนี้ถ้าเป็นแนวสติปติฐานนี้ท่านให้อยู่กับปัจจุบันครับอยู่กับปัจจุบันอปฏีทางนานวะขมยยะ น, นปัปฏีกังเขีนากรตงังอันนั้นปัทเทพัทเทกัลตสูตกัพัทเทกัลตะสูตรทีนี้ถ้าเป็นสัมปะ อเดี๋ยวขอข อ, อิริยาบถประพาณินีครชย อ, อผมได้ฟังสํานักออสองสํานักที่ขัดแย้งกันอยู่คือบางท่านบอกว่าอ อ, อย่าอย่าพูดว่าเรายืนอยู่แต่ว่าในพระบาลีนั้นมีนะครับทีโต ว, า ท, โตวท า, าทีโตมีติปัญชานติยืนอยู่ก็ <ขอ S 2> รู้ว่าเรายืนอยู่ ว่านั่งอยู่ก็รู้ว่าเรานั่งอยู่แต่ที่นี่บางบางสำนักบอกว่าอมีเราไม่ได้ฮะมีเราจะมีจะมีตัวตนอาจจะมีตัวตนก็ไม่มีเราต้องยืนอยู่ก็รู้ว่ายืนอยู่เท่านั้นต้องไม่มีเราทีนี้ถ้าถือตามพระบาลีก็มีอ่นะฮะครับมีมีคําว่าเราได้ออ น, นี่ก็ก็แล้วแต่จะว่าใครจะถือพระบาลีหรือจะถือตามสํานักอะไรก็แล้วแต่จะว่าไปดูการยืนกดูว่าวเรายืนใช่ไหมท่านอาจารย์ก็จริงๆแล้วในในบทนี้ถ้าจะแปลแป ล, แปลความคิดของพพุทธเจ้า ก, ก็คือพระพุทธเจ้าให้คอยดูตัวของเราใช่ครับจะให้ไปดูคนอื่นใช่ไหมครับให้ดูตัวของเราแต่ก็ ก็รู้กันอยู่อะคําคําว่าคําว่าเราหรือคําว่าข้าพเจ้าอะไรเนี่ยนะฮะสมมติเข้าเป็นเป็นสมมติสัจจะเป็นสมมติโอหันก็รู้อยู่ไว้เป็นอย่างนั้นทีนี้ที่บอกอาเมื่อกี้นี้บอกว่าให้ให้ดูการยืนหรือเราทีนี้ตรงนี้ว่าให้ดูกิริยากันยืนเท่านั้นหรือว่าดูที่เรายืนคือคือหมายความว่าบางบางสํานักบอกว่าให้ถัดคําว่าเราออกอ เพราะว่ามีเราไม่ได้ถ้ามีรเราแล้วเป็นตัวตนก็เป็นเป็นอาการยืนเท่านั้นเองอใช่ครั บ, รบใช่ครับเราะว่าหมายความอย่างนั้นทีนี้ถ้าถือตามพระบราลีก็มีเราด้วยมียาหังยนะฮะสิโตวาทิโตมิติปะชานาติจอดจะทำนองนี้ก็แล้วแต่ แต่ว่าเราก็รู้กันอยู่ว่าคําว่าเราคําว่าเขาคําว่าข้าพเจ้าอะไรมันก็เป็นเพียงสมมุติครับจะไปติดสมมติตรงนี้นั่านะเป็นเป็นตัวสมมติที่ทําให้เข้าใจตัวปรมาจารย์จรชาติใช่ครับทีนี้ไปถึงสัมปชัญญาปปะนั้นก็จะยิ่งละเอียดลงไปอีกอันนั้นก็ย่อยย่อยจากอนิยยาบทใหญ่เ อ, อไปถึงส่วนย่อยต่างๆเช่นว่า จะห่มชีวรจะใส่เสื้อผ้าจะ อ, อ่ทยอุจจาระปัสสาวะจะดื่มจะกินจะอะไรทุกอย่างก็มีสัมปชัญญะอยู่ตลอด อ, อสัมปชานการโยติสัมปชานการโยติมีสัมปชัญญะอยู่ตลอดอันนี้ก็อยู่กับปัจจุบันอยู่กับปัจจุบันแล้วความทุกข์มันจะไม่เกิด ความคิดแบบอยู่ในขณะปัจจุบันนี่ก็ละเอียดค่อยๆละเอียดเข้ามานะฮะร <c oughs> ครับคราวนี้ก็ยิ่งในพัเทกรัตสูตรอันนั้นก็ยิ่งดีนะครับยิ่งดีไม่ให้คำหนึ่งถึงอดีตไม่ต้องคำหนึ่งถึงอนาคตอ า, อารมณ์ใดที่เกิดขึ้นในปัจจุบันก็แทงทะลุหรือว่าให้พิจารณาให้เห็นแจ้งใน อปัจจุบันธรรมในปัจจุบันธรรมในขณะนั้นๆัทีละขณะทีละขณะธรรมดาสิ่งทั้งหลายมันก็เกิดขึ้นทีละขณะแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเธอก็ฟังไป <c oughs> อ่านหนังสือที่ท่านเจ้าคุณพระธรรมนิพุกท่านพูดถึงเรื่องอดีตแกนอนาคตเนี่ยครัท่านบอกว่าถ้าไปคิดในแง่ของเป็นอารมณ์แล้วมาปลุกแต่งจิตให้เศร้าหมอง หรือว่าให้เป็นอย่างอื่นอย่างไรก็ตามไอ้อย่างนั้นไม่สมโคตรแต่ถ้ามองอดีตและอนาคตเพื่อที่จะเอามาเป็นบทเรียนเอามาเป็นข้อกําหนดที่จะต้องปฏิบัติวา ง, วางแผนปฏิบัติอย่างนั้นได้ครับอดีตและอนาคตเนี่ยนะฮะถ้าไปนึกถึง อ, อดีตแล้วกเกิดความเศร้าส้อยเกิดความน้ำทดใจหรือว่าเกิดความดีใจฮึกเขิมใจอะไรอย่างถ้าอย่างนี้มันจะเป็นเรื่องของอารมณ์อย่างนี้ท่านบอกว่า อไม่ให้ทําอำแต่ว่าโดยประการที่อากุศลจะไม่เกิดขึ้นนะฮะว่าถ้าถ้ากุศลเกิดขึ้นก็ได้ <c oughs> ก็ได้อก็ได้ครับอันนี้ก็ไปเข้ากับอินเทียสังวรนะนะฮะอินเทียสังวรก็เตาจะหมุกเปลี่ยนกายใจสมัมล ום ตาจะหมุกเปลี่ยนกายใจโดยประการที่อบาปอากุศลจะไม่เกิดขึ้น <c oughs> ทีนี้ก็จิตวิทยาตะวันตกในสมัยปัจจุบันนี่ก็มีเขาก็จะพูดถึงให้ให้อยู่ในปัจจุบันเหมือนกันว่าถ้าต้องการความสุขต้องการไม่ให้มีความทุกข์รบกวนก็ให้อยู่แต่ในปัจจุบันให้มีชีวิตอยู่ในปัจจุบันก็จะสำเร็จประโยชน์มากจริงก็เป็นอย่างนั้นนะครับ คืออะไรที่จะเป็นประโยชน์จริงๆที่เราจะทำให้เกิดประโยชน์จริงๆก็คือขณะปัจจุบันอะไรที่ล่วงมาแล้วก็กล่วงมาแล้วคือทำอะไรมันไม่ได้เลยนอกจากจะแก้ไขการแก้ไขนั่นก็เป็นปัจจุบันคือต้องแก้ในปัจจุบันแเ้าสิ่งอะไรที่มันยังมาไม่ถึงแม้แต่เรื่องในพรุ่งนี้เรื่องที่จะต้องทำพรุ่งนี้เราค่อํทำวันนี้ไม่ได้เทำขณะนี้ไม่ได้ ก็ต้องทำพรุ่งนี้นอกจากการเตรียมการเอาไว้คอันนี้ก็คิดว่าความคิดแบบอยู่ในขณะปัจจุบันซึ่งให้คิดไปตามแนวสถิปติฐาน้วยตามแนวผัฒเทกรัตสูตรก็จะได้ประโยชน์ในการปฏิบัติธรรมมันถึงจริงแล้วครับดูแล้วก็เป็นเรื่องที่ไม่ไม่ไมค่อยยากเท่าไหร่ เต่ว่าปฏิบัติจริงๆแล้วปฏิบัติจากนะับใช่ครับยากเพะพวกเราเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นคนที่สติไม่สมบูรณ์นะฮะสติไม่สมบูรณ์สมปัญญะไม่สมบูรณ์แต่ทาอะไรก็ทําเลยไม่ได้ไม่ได้นะไม่ได้คิดว่าจะเป็นปัจจุบันทําแล้วมันจะเกิดผลดีผลเสียอะไรก็ไม่รู้ก็ทําเลยคิดเลยว่าเลยพูดเลยของการทำที่ก็ทําให้เสียเหมือนกันนะฮะ ครับครับแล้วก็นักการเมืองบางบางบางคนบางพรรคเนี่ยเข้าไปพูดซะก่อนแล้วมาถึงตอนนี้เข้ามาคำพูดนะเป็นนายตัวเองอ่เป็นนายตัวเองอเขาเจะร่วมรัฐบาลก็ลวพวกก็เลยก็ไม่เอาเขาร่วมด้วยก็เลยอกหักไปครับครับเพราะฉะนั้นก็ในในในแนวปฏิบัติอไม่ว่าจะเป็น เอการปฏิบัติธรรมที่ละเอียดอ่อนที่ลึกซึ้งหรือว่าการใช้ชีวิตในปัจจุบันที่จะให้เกิดประโยชน์เอในด้านการทํางานหรืออะไรนะครับการมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันหรือการความคิดแบบอยู่ในขณะปัจจุบันนี้จะให้ประโยชน์มากเลยมันย่อยคนอยากเขียนหนังสือสักหน้าหนึ่งเนี่ยนะครับ่บถ้า เดี๋ยวก็แวบไปอดีตเดี๋ยวก็แวบไปอนาคตจิตมันแวบไปอยู่เรื่อยอย่างนั้นเขียนไม่ได้เขียนไม่ได้ต้องอยู่ในขณะปัจจุบันอันนี้จิตต้องควบคุมจิตอยู่ในขณะปัจจุบันถึงจะทําอะไรสําเร็จบางคนที่เขียนหนังสือก่อนจะเขียนหนังสือต้องดื่มเหล้าก่อนนี่แสดงว่าเอาเหล้ามาเป็นตัวควบคุมสติ เรื่องอยังไงอ๋ออันนี้ติดเหล้ามากกว่า <laughs> ติดเหล้ามากกว่า <laughs> ถ้ามีหลายคนนี่บอกถ้าไม่ไม่ดื่มเหล้าแล้วเขียนหนังสือไม่ออกก็เอาเหล้าไปกระตุนติดเหล้ามากกว่าครับบางคนติดบุหรีก่ก็มันติดบุหรี่เพราะไม่ได้สูบบุหรี่ก็คิดอะไรไม่ออกทําอะไรไม่ได้อะไรเนี่ยนะฮ ะ, ฮะ ม, มันมันไปติดของเสพติดมากกว่าแต่คนที่เขาทําด้วยสมองบริสุทธิ์อะไรจริงๆเขามี มันจะเฉพเาะข้ไปติดจะแล้วเ ป, เป็นข้อแค้ตัวเท่า น, นั้นเองไปข้อแก้ตัวไปข้ออ้างเปข้ออ้างเปข้ออ้างานนอ้างที่จะดื่มเหล้าอ้างที่จะสูบบุหรี่เราก็เป็นโทษมากนะครับเป็นโทษมากเพราะว่าเอ่อมันจะทำให้คุณภาพในการเขียนในการทำงานเนี่ยมันจะค่อยๆลดลงเสื่อมลงเรื่อยๆเหมือนกับม้าที่เราขี่มันแล้วก็ เวลาใดที่มันรู้สึกเปรี้ยเต็มทีแล้วเจ้าของก็ใช้แส้ขวดไปมันเปรี้ยแทนที่จะให้มันได้พักผ่อนออหลับนอนหรือกินยากินน้าอะไรให้มันมีกําลังดีขึ้นเรากับใช้แส้ขวดลงไปมันก็กระโจนไปพักหนึ่งแสักประเดี๋ยวมันก็มันก็เปรี้ยลงมาอีกแต่ถ้าทําอย่างนั้นเรื่อยๆไปไม่เท่าไหร่มาก็จะล้มลงตายค